หลังค้าสาร่าเขาเข้าเกือบแล้วละอีกประมาณสักอาทิตย์กว่ากวางสีแล้วจะมัง้งเนื่องขาดอุปกรณ์แผ่นกันเสียงแผ่นกันความร้อนอยี่หองผรากระมองอื่นก็ะห่วงผมมีปัญหานะทําไปเรื่อยเรื่อยเรื่องหัวหายห่วงระบาดเลยก็คงจะอยู่ไปนาน่นท่านัาน่นแต่ตามปกติ ซาลาไม่เนี่ยอายุของมันกับประมาณสี่ห้าสิบปีไม่มะเขือข้องจะเสื่อมสภาพไปตามอายุสังขารของมันแต่ไม่ของเฮาเน่ยโดยมากจะเป็นไม่เนื้อแข็งเกือบทั้งหมดไม่ซาลาหลังเนี่ยมะเขืขงจะอยู่ในนานกว่านั้นเดียวแล้วอีกอย่างหนึ่งเฮากใส่แบบธนุถนอมธนุถนอมอย่างไงคือเฮาไม้ฉันขู่มือแหละขึ้นม้ฉันไม้ฉันแล้วกับเบิง ว่าตัวใดมันรับนำนักตัวใดมันถูกฝนเข้ากันด้เบิงๆบิแปลว่าชัยสาร่าอยู่ในความทนุถนมอมติเปื้อนจะเขามาสามสิบปีแล้วได้สาร่าหลังนี้เกือบสามสิบปีแ้วะแต่ก็มีปัญหาเรื่องกระเบื้องเรียกว่าเปลี่ยนจะปีนี่ปีหาสิบีเขา สัางมาตั้งแต่ปี28มุ่งมาตั้งแต่ปี28 28 29เริ่มมุ่งหลังค่าซาลาจากนั้นมาปีตั้งแต่ปี28 29มาถึงหาหาเป็นเวลาหลายปีทีเดียวบางนเดี๋นี่ซาลาที่พักผ้าอาศัยเหมือนกับกบระเบื้องเหมือนกับผูยย้ใหญ่ ปกครองประเทศชาติบ้านเมืองหรือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นหัวหน้าบริษัทหรือเป็นหัวหน้าเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าเป็นพออ่อออโรงเรียนหรือเป็นเจ้าอาวาสจังสั้นแหละกระเบื้องเป็นผู้ปกคุ่มตุ่มหูมโม แกว่าก็ต้องอาศัยบริษัทบริวารคือกันคำชู้กระเบื้องจึงอยู่ใดข้านะว่ากระเบื้องอยู่หลังข้าเป็นผู้ควบคุ้มเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ให้ความปกป้องบริษัทบริวารของตนเองจับพยองพ้องตัวว่าคาเป็นผู้เลิศเป็นผู้เริฐ เป็นผู้ดูแลพวกสูเจ้าทางหลายาำว่าขาบ่มีเสยยางเทะนะ่านั้นสูเจ้าเนี่ยย่อยับคำว่ากระเบื้องมันทีออ่อวดซักดาจังสันนะคนว่าแปรมันแข็งขอขืนมาาบาทเนะี่ยเ อ, อาจนว่ากระเบื้องแกงอีกิกยูปุน่นโอ้อ ถอดแปะออกนะอพอถอดแปกะกับเบื้องกับพังโ ค, มค้มขึ้นกนน่ะมันบอมีหม่องคางกแปะเป็นอยู่ไหนเพราะอะไหรกับเพราะจันทท่านแปะจะโวดอ้างว่าตัวเองเก่งกับอไไรแต่ว่าจันทท่านออกไปแปะก็พังโ ค, มค้มขึ้นกนสรุปแล้วทั้งกระเบื้องทั้งข่าวทั้งจันทท่านทั้ง อกไก่ทั้งคือจะผ่านข้อเสาปั้นพื้งผ้าอาศัยกันหมดคือองค์กรนั้นนั่นนี่แหละปนจังววาต้องการพร้อมเพียงสา ม, มัคคีในชุม่มช่นในสังคมในประเทศชาติในกลุ่มของเห่าบัดฟ้าศาสนาบ่มีโปรใดส่เก่งกว่าไผยแต่คือหูจักนาทีนาทีกู้บาอาจารย์คือนาทีแบบใดนาทีศิทธ มีหน้าที่จังไหร่มันมีหน้าที่ของแต่ละแต่ละหน้าที่อยู่แล้วหน้าที่กระเบื้องคื อ, อยังหน้าที่ของข่าวคื อ, อยังหน้าที่ของจันท่านคื อ, อยังหน้าที่ของอกไก่ที่มันสูงคื อ, อยัง่ะปันป่นร่มปั่นไส้เป็นแต่ละหน้าที่ทั้งหมดเขาสะบอกเอาขื่นไปแขวนไว้ให้มันนักสาราที่ซื้ออยู่นั่นแหลคาว่ากระเบื้องก็กระเบื้องแต่ มันก็บกเกิดประโยชน์กานว่าข่าวก็ข่าวหักมั้งสิมันจะเกิดประโยชน์ได้ยังไงที่าฉันท่านคือกันฉันท่านถ้าจะรับข่าวมันขักอีกผุอีกสะพานข้อขาดอีกเสาผุอีกคิดแต่ละนาทีทํานาทีบัวใดอาคารหลังนั้นก็อนไปว่าใส่การบราัวใดนี่ขึ้นกัน ในชุ่มช่นในวัดของเฮาขึ้นกันเป็นอันวา่าเป็นผูมีความสาคัญโดยกันทั้งหมดผูดูแลทางขั้วผูดูแลทางวัดผูดูแลเจนะ้หน้าทนะของหนังหองทาลงขั้วเอกสารหนงังสือปัสกวาดทำความสะอาดแปลว่ามันเป็นกลุ่มสาคัญโดยกันทุก ทุกคนคือกันครับอาค้านต่นําว่าเฮ้าคิดยังจันได้การอยู่ด้วยกันมันต้องมีเมตตาต่อกันมีเมตตาต่อกันมีความรักเคารพต่อกันอย่างพระพุทธิสั์พระพุทธเจ้าของเฮ้าเพิ่นย่อมเสียเปรียบหมู่คนเดชให้เฮ้าศึกษาบงพระพุทธิสัจเพื่อเพิ่นสิ เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณปุตติลือสัตว์ขนสัตว์ออกจากวัตสงสารเขาสู่แดนพะนิพานเป็นผู้เสียเปรียบมมการเสียเปรียบโมวอรัตเอาเปียบพู้อื่นนั่นละคือเมตตาคือนามใจในหลักของพระพุทธศาสนาพราะั่นให้พวกเข้าใสในิสัยพระพุทธสัตท์ทนนิสัยกว้างขวาง น้ำมานไช่แต่น้ำมันไช่เรมีแต่ความพ้าสุกขัขนาวาชัชนิสัยอิจฉาพยาบาทกันเห็นแก่ตัวบริม่องผู้อื่นม่องค้นในแง่แง่ไรม่องค้นในแงบ่บดีอันนั้นเปนว่าทำไมโลกเดือดร้อนแต่ตามไม่จริงการจะว่ามองม่องค้นในแง่บดีจริงจริงกับบอมแมนอีก แต่มองค้นรวยปัญญาอปัญญาคือความรอบขอบคำว่ามั่นโมดีคนโมดีมัน่นโมเป็นค้นกฤษดีมาถุกค้นคนะอบางคนก็สดวดหลดบางคนก็บอกยักษสูงยักต่ำบางคนก็เห็นแก่ตัวบางคนก็เห็นแก่ใดบางค้นก็ชอบดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นจังสิเข้าสิเหตุจังใดอันนี้พอห้าสจะแก้ไขใดฮะก็แก้ไขกันคณาว่าแก้ไขบ่ใดบังกะตองเบิงเบิงว่างอุปเปกขา อย่าเขาห้าวไปเตะไปถีบไปขาไปตีมันก็เปื่อนมือของเขาจะซือ้อลงไปเออทำให้จิตใจของเขาเศร้าหมองอีกตั้งหักนะอบางสิ่งบางอย่างก็โอ้บอ่ไรเนี่ยต้องหาพูดที่พูดได้บอกได้ก้าวได้ชี้งเราเหนี้นบ่ดีแหละมันมีวิธีกรรมหมากไม้ไอะบ่แมนเขาจะบอ่บอพ่อใจเขาจะไปขาไปตีไปตบไปต่อยเขามันก็ บ, บ่แมน กันว่าห้าไปเป็์จังสันแปลว่าห้าเปื่อนตัวของห้าเปื่อนเปื่อนมุ่นทิ้งเป็นมุ่นทิ่งเป็นคนซัวไปเรื่อยบัดเป็นคนซัวบกค้นจะเป็นจังสันนี่แหละรักถ้ำข้ามสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายขยักขึ้นกันเนี่ยแต่พวกเขาเอามาศึกษ า, ออ ก, าออกมาปัดฝุ่นออกมาปฏิบัติแล้วมีหลายมีหลายระดับจะขวรจะปรับปรุงแก้ไขยังไง บ่เป็นสื้อจดโหลดคือซบเป็ดเลงตามหาบัวเฮ็ดหนังซือจดโหลดคือซบเป็ดนี่หลวงลพ่ออานีตอนนี้อนุโมทนาให้พ่อ